แสงไกเกินตาเพียงสายลมผ่าขอบฟ้าจะเปลี่ยนสีไปจากหยดน้ำเป็นฝนพรำโรยปลายคือฤดูกาลโลกนี้ยังคงหมุนไป ยินยาวเทาความผันเปลี่นและบางที่เราอาเรียนรู้คุณค่าไอเดนเมื่อโ จะยังมืดมิดแต่คงไม่นานที่ความรักจะกลับพวนมาอีกครั้งหนึ่งโอทงแม้ว่าจองฝาคับนี้ไม่มี ส<จ>ุอ